ถ้าถูกต้องโยมเห็นเราพอันเรานี่้วนหลวงปู่กลับวัดนั่นถูกต้องช่วยพระสงฆ์ถากกิเลสนั่นแปลว่าทําบุญไปส่งเสริไมไปหลวงปู่เอาเข่งมาด้วยหลวงปู่เอาย่ามมาด้วยผ <c oughs> ิดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> ขาจกไปเลยมีวัดหนึ่งเอาหมาไปใส่ใส่ใสรถทําเป็นรูปรถดีๆแล้วก็แอบไปใส่หมาให้มใหมาวิ่งตามพระทีอแรกก็วิ่งแต่ตัวเป่าแหละไปมาเถือขีด หมาไม่มีงานทํา อ, อกทําเป็นรูปรถออกใส่มันก็วิ่งตามพระต่อเทบาทแทนนั้นไอ้พวกหนึ่งว่าเป็นประโยชน์ดีหมาอะไรคุ้นเคยช่วยพระใส่บาทแท่จริงๆเขไปไปมาบางคน ก, ก็บอกว่าทรมานสัตว์จับกันอีกแล้วนี่เอาอไปทําอะไรเยอะแยะอย่างนี้ใส่เงื่อนบางวัดออกมีควายเดินตามแล้วกับโคนะกับเบือนะเอาถุงอะไรไปใส่ให้มันขับเบือไยใส่หลังายไปใส่อาหาร ไม่ฉีดฉีดโลก็ไปแทงก็รอกแค่ไหนถ้าไม่เอาไปขายเอาไปทำอะไรเราพวกเจ้าให้บินตบาบัสเอกควาฉันไม่ใช่เอาไปเยอะแยะอาหารของเขามันทำยากเขาหน้าโปชนะอาหารหลวงปู่อำให้ก่อนหนูพระเอาเยอะแยะถูกแทศถูกว่าทั้งนันไม่เป็นนี้เป็นอะไรของคำนาบนหลังญาติโจมไม่สงสารเขาหรือเขาหักผักเส้น ราคาคำข้าวคำหนึ่งราคาเท่าไหรเขนั่นถ้าไม่มีสินทําเหมือนกับกินเด็กแดงไงก้อนเหล็กแดงนี่ก้อนเข้าวคำหนึ่งต้ก็กลัวเลอสมัยก่อนไม่กล้าประมาทนะแต่ทุกวันเนี่ไม่ได้ยินหรอกอูบาจานเทศแต่ไม่โยมไม่ออกเทศขรังเดียวไปจ่อยน้องปู่เทศตลอดพรรษาไม่ได้ยินเข้าใจไหมทำอย่างนี้ออกเทศน้องพี่น้องถี่มัมีคนช่วยงานไม่ออกออกพรรษาหรอทรารุณสาไล่หรอหาเรื่องออกไปแล้วทีนี้ บังคับไม่ออกเททั้งเดียวไปจ่อยหงวงปู่เทศในตลอดวันฝ่าไม่ได้ยินก็เพราะอย่างนี้แล้วว่มีอะไรมันก็มีตะโนโลภครอบงำจิตใจความหิวความอยากนั่นถ้าบังคับตัวนี้เรารู้จากที่เหลวกิ่เลวมันขึ้นอยู่ในหัวใจที่เหลวคือความโลภมัรักโลกสองตัวนี่ไมนมอดโลกนะโลกเนะพราะอะไรล่ะล่ํารวยนั่นฉันอยากล่ารวยฉันอยากล่ำรวยล่ารว ย, รวยมาแล้วขอมายืม ไม่เอามาคืนให้ถามสองครั้งสามครั้งทั้งที่สามเอาปืนไปด้วยจะให้หรือไม่ให้ยืมมากี่ปีแล้วให้หรือไม่ให้ไปไปมาก็ต้องไปหาจำนองจองจำเป็นหนี้เป็นสินอะไรเอาบ้านไปจำนองเอาที่ดินไปจำนองนั่นถ้าไมให้เขาก็จะยิงเราแหละเป็นนรกไหมละ่ะเพราะคนรวยใช่ไหมสวยงามก็เหมือนกันละ่ะไปมั่นกันไว้ราคาเท่าไหร่เพชรนินจินดาแหวนเพชร เป็นเราเป็นล้านสองล้านแต่งานได้สองสามเดือนดาราทะเลาะ ก, กันแล้วเตียงหักแล้วเป็นอะไรล่ะผู้ชายพูดกับผู้หญิงก็ไม่ได้ผู้หญิงพูดกับผู้ชายไม่ได้ไปทํางานไม่กลับบ้านกับช่องทําอาหารไปอาหารอยู่ที่บ้านแห้งหมดแล้วเมื่อแต่ไปทานอาหารเมื่อทานที่ไหนก็ไม่รู้นะเพื่อนเชิ่นไปทานอาหารทานอาหารอะไรที่บ้านมีเยอะแยะกลับมาบ้านทะเลาะ ก, กันแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะสวยงามใช่ไหม นั่นพราะท่านหลวงตาถึงว่าล่ํารวยสวยงามเป็นนรกถ้าไม่ร่ลำรวยสวยงามไม่เป็นนรกหลวงตาก็อยู่ไม่ได้นะตอนเป็นนรกที่ล่ํารวยกับสวยงามต้องละเอียดธรรมะละเอียดนะเพราะท่านทำของพระเจ้าจึงบอกว่าทำที่เราถากดจะตระลุยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ดนียจะดูได้น ะ, <c oughs> นนะสะวรรค์นในอกนรกในใจถ้าเห็นว่าใจเห็นสวรรค์เสียก่อนจะรู้ว่าล่ารวยสวยงามเป็นนรก นี่เราไม่เคยดูบุญไม่รู้ว่าบุญอยู่ที่ไหนมีแต่ขนของไปถวายพระไปทาบุญไปทำทานไปทำบุญสบายไปทำบุญสบายแต่บุญไม่ทําแต่พูดเฉยๆจะชอนในนกแก้วมันก็พูดได้เราได้ทำแต่เห็นไหมบุญนะเป็นยังไงนิ่งสงบสงงุขอื่นยิ่งขวบขุ่มสงบไม่มีนั่นคำของกุญแจเราไปสงบไหมล่ะพระขอหุ่นโยมขอหุ่นใส่ช่วยใ ใสมออมาให้ไม่พอใจต้องใส่ช่วยใส่จานนนชอบยุ่งไหมตัวเจ้าสอนให้ฉันในบาศพาระเป็นใส่ช่วยใส่จานโยมก็อยากให้พระฉันอร่อยนั่นอยากให้พระเป็นบาศโยมก็เป็นบาศมีเกตนาจากให้บาศลูปเสียงกินรถเข้าใจไหมต้องทําลายรูปเสียงกิ่นลดยิ่งให้ฉันในบาศเพื่อป้องกันให้บาศกิเลสรูปไม่กิเลสรูปเสียงกินลดรถนั่นน่นมันเป็นเกิดกิเลสชอบลถต้องทําลายรถ รู้วมันเดียวกันในท้องมันไม่มีถ้วยมีจานให้ด่ากิเลสใช่ไหมเรารู้จักกิเลสคืออะไรละ่ะี้ไม่รู้ก็ไม่ดูปากบุญคุณโทษไม่รู้จักมีแต่โกหกตนเองโกหกอุวเอาบุญน่เป็พระสงจะมาไปทําบุญทำทานากนันนะไปทําบุญสบายไปทําบุญสบายโนดมาแล้วไม่ได้ทำบุญแต่บุบ่นไหวมันเว้นไม่ถูกทําเป็นอย่างนี้แล้ว จ, จึงได้ย่ำจึงไ